3. ปัตตะวัค 1. ปัตตะสิกขาบท 164. ภิกษุทรงอติเรกบาทไว้เกินสิบวันต้องอาบัตหนึ่งอย่างคือนิสักคยปาจิตตี 2. อ, อูนะปัญจะพันธนะสิกขาบทภิกษุมีบาทที่มีรอยซ่อมย่อนกว่าห้าแห่งขอบาทใหม่ใบอื่น ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังขอต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อขอได้แล้วต้องอาบัตนิสักคยปาจิตตีสามเพสัจชะสิกขาบทภิกษุรับประเคณเพสัจแล้วเก็บไว้ฉันเกินเจ็ดวันต้องอาบัตหนึ่งอย่างคือนิสักคยาปาจิตตีสี 4. วัสิกะสาติกะสิกขาบทภิกษุแสแวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนเมื่อฤดูร้อนยังเหลือเกินกว่าหนึ่งเดือนต้องอาบัดสองอย่างคือ 1. กํากำลังแสแวงหาต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม 2. แสแวงหาได้แล้วต้องอาบัดนิสักคยะปาจิตตี 5. จีวระอัดฉินธนะสิกขาบท ภิกษุให้จีวรแก่ภิกษุเองแล้วโกรธไม่พอใจชิงเอาคืนมาต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังชิงเอาคืนมาต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อชิงเอามาได้แล้วต้องอาบัตนิสักคียะปาจิตติ 6. สุตตะวินยติสิกขาบทภิกษุ ออกปากขอได้มาเองแล้วใช้ช่างหูกให้ทอจีวรต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังใช้ให้ทอต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้ให้ทอเสร็จแล้วต้องอาบัตนิสักคยะปาจิตตีเจมหาเปสะการะศิขาบทภิกษุผู้ซึ่งเขาไม่ได้ปารณาไว้ก่อน เข้าไปหาช่างหูกทั้งหลายของครืหัดผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกําหนดชนิดจีวรต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังกําหนดต้องอาบัต ท, ทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อกําหนดเสร็จแล้วต้องอาบัตนิสักคิยปาจิตติแปดอจเจกะจีวรสิกขาบทภิกษุรับอัจเจกะจีวรแล้วเก็บไว้เกินสมัยจีวรการ ต้องอาบัติหนึ่งอย่างคือนิสักคิยปาจิตติเก้าสาสังกสิกขาบทพิกษุเก็บไรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไว้ในละแวะกบ้านแล้วอยู่ปราดเกินหกคืนต้องอาบัติหนึ่งอย่างคือนิสักคิยปาจิตติสิบปรินตะสิกขาบทภิกษุรู้อยู่ น้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสงมาเพื่อตนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังน้อมมาต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อน้อมมาได้แล้วต้องอาบัตนิสักคียปาจิตตีปัตตวัตที่สจบนิสักคียปาจิตตีสามสิสิกขาบทจบ